ได้ไปเรือนของสหายแล้วได้นั่งในห้องนอนกับพระยาของสหายที่นั้นสหายนั้นได้เข้าไปหาท่านพระอุปนัน tha สักกยบุตรถึงอาสนะครั้นถึงแล้วได้ไหวท่านพระอุปนันท h สักกยบุตรแล้วนั่งหน้าที่สมควรสหายนั้นผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวกับพระยาดังนี้ว่าเธอจงถวายภิกษาฐารแด่พระคุณเจ้าลําดับนั้นพระยาของสหายนั้นได้ถวายภิกษาฐารแก่ท่านอุปนันท h สักกยบุตรแล้ว ครั้งนั้นสหายนั้นได้กล่าวกับท่านพระอุปนันท h a สกรยาบุตรดังนี้ว่านิมนต์พระคุณเจ้ากลับไปเถิดขอรับเ <commencer> พราะได้ถวายพิกษาหารแดด <Experience> พระคุณเจ้าแล้วภรยาของสหายนั้นกําหนดรู้ว่าสามีถูกราคะกลุ่มรุมแล้วจึงได้กล่าวกับท่านพระอุปนัน tha ักยาบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนต์ท่า น, นนั่งอยู่เถิดอย่าเพิ่งกลับแม้ครั้งที่สองสหายนั้นแม้ครั้งที่สมสหายนั้นได้กล่าวกับ ท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรดังนี้ว่านิมนท์พระ ค, คุณเจ้ากลับไปเถิดขอรับเพราะได้ถวายพิษฐ า, ารแด่พระคุณเจ้าแล้วแม้ครั้งที่สามพระยาของสหายนั้นก็ได้กล่าวกับท่านพระอุปนันท h สักยบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้านิมนท์ท่านานั่งอยู่เถิด อ, อย่าเพิ่งกลับครั้งนั้นสหายของท่านพระอุปนันท h สักยบุตรได้ออกไปเที่ยวฟ้องภิกษุทั้งหลายว่าพระคุณเจ้าอุปนัน tha สักยบุตรรูปนี้นั่งในห้องนอนกับพระยาของกระผม กระผมนิมนต์ให้ท่านกลับก็ไม่ปรารถนาจะกลับพวกกระผมมีกิจมากมีงานที่ต้องทํามากบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงพากันตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนายท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรจึงเข้านั่งแทรกแซงในตระกูลที่มีคนสองคนเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิท่านพระอุปนัน tha สักยบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ